คิดได้แบบนี้นะก็รีบควบรถจักรยาน2ล้อถีบเร็วปรื้ไปจากที่นั่นทันทีแกปั่นรถ2ล้อห่างไกลออกไปเสียงดาบฟันก็ค่อยๆเงียบหายไป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 เมื่อเห็นอาจารย์ถูกผีฆ่าตายก็ต่างพากันวิ่งเพ่นหนีไปคนละทิศคนละทางนอกจากนี้ก็มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะบอกว่านักรบสมัยโบราณที่ตายในสนามรบมีทั้งผีหัวขาดผีคอขาดแขนขาดขาขาดอัยวะไม่ครบถ้วนเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งติดกระเละกังปรากฏกายให้ชาวบ้านเห็นในสภาพหน้าสังเวชเว ท, ทนายิ่ง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 มีพระแล้วก็สัมมเนรวิ่งหนีผีนักรบแห่งค่ายบางระจันหมดเรี่ยวหมดแรงเป็นลมล้มพับนอนแผ่ลาสองสลึงหมดสภาพความเป็นพระแล้วก็เนนจริงๆพระแล้วก็สัมเนรที่เพิ่งจะบวชใหม่เนี่ยยังไม่มีพระเวทกันผีหลอกไว้ป้องกันตัวสักรูปหนึ่งพอตื่นขึ้นมาแทนที่จะพบว่าตัวเองนอนอยู่ในค่ายบางระจันค่ะ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 แล้วจะมีพระแล้วก็สามเณรรูปไหนใจถึงใจกล้าไปถามญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ดีไม่ดีอาจถูกตำหนีนฮะว่ า, าถึงเป็นถึงพระเป็นถึงเจ้าเป็นถึงเนรนะคะทำไมมาวุ่นวายจุ่นจ้านเรื่องผีพระก็ควรอยู่ส่วนพระหากเจอลูกนี้เข้าไปเนี่ยทั้งพระทั้งเนนก็จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพระท่านบอกมานะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งเป็นชายสูงอายุค่ะ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 แล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นหมอดูแล้วก็ขายพระกับเครื่องรางของขลังเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองนะคะลำพังเงินผู้สูงอายุที่รัฐบาลให้เดือนละ 5-600 เนี่ยแกบอกว่าไม่พอยาไส้หรอกต้องหาอาชีพเสริมช่วยเหลือตัวเองจะทำจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละนะคะ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 ก็ขายดิบขายดีมีลูกค้าอุดหนุนมีเงินติดกระเป๋าไว้ใช้หากว่าเป็นวันธรรมดาก็จะเงียบเหงาหน่อยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแกก็เล่านะฮะว่าทุกครั้งแกที่ที่แกม้อยหลับไปเนี่ยแกก็จะฝันเห็นผีเป็นนักรบบางระจารันสีสระคาดผ้ายันสีแดงห้อยตะกรุดเสกอาคมสวมเสื้อกั๊กลงยันอาคมบ้างก็มีรอยสักยันเต็มตัวเลยนะแกบอก ผีเหล่านั้นเนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งเกลอะกรังใบหน้าผีทุกตนเศร้าหมองแล้วก็ไม่พูดไม่จ่า ก, กับใครผีเหล่านี้เนี่ยจะเดินไปเดินมาทั่วค่ายบางระจันเหมือนจะเฝ้าระแวดระวังค่ายมิให้ทหารพร ม, าม่าจู่โจมแกก็พยายามพูดคุยกับผีเหล่านั้นแต่ว่าไม่มีผีตนไหนนะคะที่จะคุยกับแกแกไม่มีเรื่องคุยอะไรมากค่ะจะขอแค่เลขเด็ดสตัวไปแทงหวย ก, ก็แค่นั้นแกบอก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 เมื่อก่อนโน้นเคยมีแก๊งหาของโบราณมาตระเวนตามวัดแล้วก็โบราณสถานเก่าแก่พอศบโอกาสนะคะก็จะขโมยเอาของมีค่าไปขายในตลาดมืดพวกมันนึกว่าในค่ายบางระาจารันคงจะมีของมีค่ามีอายุเป็นร้อยร้อยปีก็เลยส่งคนเข้ามาหาข่าวในค่ายแห่งนี้ทำทีเป็นนักท่องเที่ยวถามนู่นถามนี่เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องพอได้ข้อมูลแล้วก็จะกลับไป